ธรรมมานุพุทธบริษัตรอีกทีอีกอีกห้องกระพริบจ้ายอมไม่คลุมดีครับอ่ะท่านวันละไม่คลุมครับเรารู้ถึงกับใครเคยดูครับอาตมามีความเป็น แม้แม้เป็นหญิงเป็นชายแต่ยึดอยู่กับศรัทธาความเพียรมั่นในหลักธรรมจึงเป็นความดีที่องค์ประกาศให้เป็นธรรมที่สงใจนี้เกิดกับพระฤาษีหลักแก้ไขขึ้นเป็น คือเป็นหลักสําคัญของพระตรีรัตน์นั้นแต่ต้นธุรกิจก็ตามสามเณรก็ตามมีปรายปกติการศึกษาก็ตาม จากจากเท่าไหร่ก็ยอมเพื่อกรรมคือการจะทําดีของตนโดยคือว่าหลักของกฎพระวิบัติทุกๆตัวเนี้ยจะต้องดําเนินขึ้นนะคือศรัทธามอบในพระพุทธศาสนา กรรมคือขอตามเป็นพระเป็นองค์พระหรือปฏิญาณตนเป็นปฏิบัติปฏิภาณศึกษาข้อกาณฑ์เป็นแล้วแต่ตนผู้มีศรัทธายอมมั่นไม่เช่นนั้นไม่สามารถจะตระเอาออกได้เป็นสมบัติเป็นประโยชน์ข้อของภาคนอน ล้วนแล้วจะออกจากสัทธามีปัญญาเป็นเครื่องไกรกลองดูเหตุผลอันจะเกิดขึ้นจากการกระทําเพราะอํานาจสัทธาความเชื่อมั่นนั้นดังนั้นบางครั้งมีวิสาทยามฉลากที่มีภาพทั้งในบ้านและป่าอาการนี้ ได้เป็นเป็นของมีคุณค่ายิ่งทั้งต้นและก้าวของมาถึงสถานที่นี้ลํามาเป็นผู้สลักประกอบเป็นผู้สลักฐานกดโดยไม่มีความวุ่นวายอันใดเราโอกาสเพื่อวัฒนาอเมร ต้องมุ่งมั่นทั้งนั้นคือคือสภาเป็นรากฐานสัมพันธ์โอกาสว่าฉลาดก็ก็อำนวยตามดุจเป็นผู้ประสงค์คุณนั้นที่จะต้องมีโอกาสไปจะต้องมีโอกาสมาจะต้องมีโอกาสทําคุณงานทําดีกับดําสถานสถาบันการค้าศีลพัฒนาข้อต่าง ยังเปิดช่องเปิดทางของเราเสมอแต่ถ้าศรัทธาความเสื่อมใหม่ไม่เคยมีทางในจิตใจเราก็ไม่สามารถจะตรัสได้อึกๆอย่างนั้นใครที่จะการสึกรากฏว่ารูปกิริยาของปฏิกิริยา <c oughs> ละกดเป็น 3 3 กะเองที่ชื่ออากวะคนเนื่องมาจากการตรัสก็อยู่ในฐานะยากคงคงการกระทำอยู่ในฐานะที่เป็นใหม่ๆโคขะสมบัติวิภาบรรดากับโคตะเมื่อกระทําได้อย่างนี้แล้วในหลักแห่งธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอน อาการขณะนั้นถึงสลักใสเสียทุกทุกสิ่งบรรดาที่เป็นสมุทรอันเป็นทุกข์สัตว์เรื่องของคิดของใจมาเป็นเวลานี้นี้ก็ปรากฏเป็นภาวะสังขารภาวะหันสิ่งที่เดรัจฉานะเหล่าทั้งหลายได้กล่าวว่าทุกทุกวันนี้เวลาแต่ทุกกราบเสียพลังทั้งนั้นและพระพุทธเจ้าที่จะปรากฏพระองค์เป็นศาสดาของโลก อัยยัมมาตั้งแต่ภาคต้นๆมันเป็นภาคพื้นของการเสียสละนะเป็นลําดับเราจะเห็นได้ในยลลัพธ์สุดท้ายที่ท่านเป็นโทษสันดอนไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้ากล่าวว่าถ้าท่านเป็นพระชาติเป็นพระเวสสันดรจะมีความเสียสละเพียงชาติเดียวเท่านั้นแต่เป็น คุณธรรมที่พระองค์ทรงบำเพ็ญมาประจำตรัสอนาดเป็นนิสัยต้องเสียสละตลอดเวลานับตั้งแต่พันแรกจนกระทั่งถึงพันสูงสุดสามารถตรัสได้โดยซึ่งนี้คือความเสียสละความเสียสละนี้คือเป็น องค์ถามให้พระพุทธเจ้าได้ปรากฏถึงธรรมเป็นผู้วิเศษขึ้นมาเราผู้จะดำเนินตามร่องรอยของพระพุทธเจ้านี้จะมาได้ดำเนินเป็นแบบภูมิอนเดียวกับพระพุทธเจ้าก็ตามแต่ก็เป็นวิสัยของพุทธบริกรรมก็สามารถดำเนินตามปฏิกําลังของตน ผลกระทิปรากฏก็ด่อมถึงจุดหมายสายทางคือความสงบทุกอันเดียวกันเมื่อเราได้บําเพ็ญให้สมบูรณ์โดยบุญตามขั้นแห่งกําลังความสามารถภาวนาของเราแล้วทั้งนั้นท่านหลายที่ได้ติดตามมาณสถานที่ที่บ้านเมืองของท่าน ย่อมเพียงได้เพียงเสียเพียงตายทุกข์ทุกข์อย่างเตรียงมาตลอดเวลาแต่ความเพียงอย่างนั้นไม่สามารถจะเป็นอุปสรรคขัดขวางการงานของเราและอำนาจแห่งกระทบเพื่อความเจ็บไข้เป็นธรรมที่มีกําลังมากกว่าสามารถจะ ภาพถึงผู้ปกครองทั้งหลายมาแล้วธรรมมาโคเหลืองข้อเกี่ยวกับการนมปริญฐานบารมีที่สงบกับอนิจภาพของท่าน จะถามมันในมายาทุกข์ทุกข์นี้ไม่ว่าทางโลกทางธรรมดับสําเร็จขึ้นด้วยใจเท่านั้นหากเข้าใจได้ถือไปเสื่อมทางโลกก่อนถือทางธรรมก็เสื่อมใจได้ล้มละลายไปเสื่อมโลกก่อนสุดท้ายธรรมก็เลวแล้วไม่มีสิ่งใดอยู่ในภายในบุคคลคน ได้คือสิ่งสําคัญอย่างนั้นการที่เราทําคุณงามความดีหรือดัดแปลงกายวาจาใจของคนทุกๆอาการก็เพื่อจะให้เป็นคุณสมบัติของกันได้รับผลประโยชน์เรื่องเสถียรคนของคนให้มีระดับอันสูงเป็นคุณบัติเฉพาะอย่างยิ่งการอบรมใจในทางด้านธรรม ละคงจะโปรโตคอลศาสนานี้เป็นของจําเป็นอย่างยิ่งคือคิดเอาไว้กับกับคือคบกับอบรมในของคนให้รู้หรือให้ทวนกระนิดเพื่อผลเพื่อการงานทั้งทางโลกและทางธรรมคือใจได้อบรมเอ่อคุณส่วน ดับไหลใหม่หมายหมายจะทําผิดการงานภายนอกภายในย่อมเป็นไปเพื่อความตํ่ามเสมอไม่เป็นไปเพื่อความสุขก่อเทศิณเรื่องโขนอันเป็นที่รอดแล้นต่ออันตรายสําหรับซึ่งมีการทําใจให้สงบได้คืออธิบายให้คําที่ฟังมากมายว่าทําอย่างไรใดจึงจะนิพพานได้ ลักษณะของไก่กดเป็นเดียวกับการดูต้องมีที่พฤกษ์อยู่ในไก่ก็อยู่ในเดียวนำทางจนครบเหมือนกันขึ้นเรานั่งนี้ก็ต้องอาศัยศาลาเป็นที่หนักเรานอนก็ต้องอาศัยที่นอนลาจึงก็ต้องอาศัยที่ทางใดทางหนึ่งร่างกายต้องอาศัยทุกๆอย่าง ตามกาลเวลาของตนที่เห็นว่าจําเป็นถ้าไม่อาศัยร่างกายก็อยู่ไม่ได้ตลอดถึงอาหารการบริโภคเรื่องทานเพื่ออากาศนี้เป็นที่อาศัยของกายใครก็อยู่ดึกอยู่ไม่ได้รับตระหนักของใครก็ต้องอารมณ์อื่นที่อาศัย อารมณ์ของใจนั้นมี 2 ประเภทอารมณ์ที่เป็นไปเพื่อธรรมหล่อเตชิดใจให้รับธรรมดำเนินอยู่อย่างล้อมคอมอารมณ์ที่เป็นไปก็จะยังไปให้สงบเครียดเป็นคนในหลักแห่งประพฤติศาสนานุ่งถึงอารมณ์ที่จะเป็นไปเพื่อทางสงบเครียดเย็นภายในใจฉะนั้นท่านที่มีบทธรรม ตรงที่ศูนย์กลางของใจที่เราทั้งหลายก็เคยได้เรียนและปฏิบัติมาพอสมควรซึ่งคําว่าทุกข์นี้อางาปามากก็เป็นต้นๆนี้คืออะไรมันหลักเป็นที่ยึดเหนี่ยวของใจเมื่อใจได้มีการยึดเหนี่ยวมีกิเลสเมื่อรักษาใจให้ดีประกอบธรรมนั้นๆ มีว่าเป็นผู้ไม่ปรากฏสักดาติกิเมื่อใจไม่ได้ปรากฏสักดาติกิแต่ภิกษุไม่ว่าเลยภิกขุมีธรรมสะดวกภายในใจมีความเยือกเย็นมีธรรมสงบมีความปลุกปรากฏขึ้นแต่การฝึกฝนอบรมจิตใจนี้ โลกถือว่าเป็นของยากสำหรับผู้ที่มีความเข้าใจในด้านธรรมะฟังนี้แต่ผู้ไม่เข้าใจในด้านด้านธรรมะเลยนั้นเขาถือว่าการประดับด้วยอุปมจิตใจเป็นสิ่งที่ไร้ผลหรือเป็นธรรมที่ล้าสมัย เพราะฉะนั้นโลกที่ไม่มีธรรมเป็นเครื่องคํากับใดจึงกลายเป็นโลกที่เลวสมัยกันธรรมที่ว่าทันสมัยเลยเมื่อปรากฏกับโลกจุดใดๆนี้หากไม่มีธรรมเป็นเครื่องรักษาแล้วไม่ว่าโลกไหนไม่ว่าโลกอนุตไม่ไม่ว่าโลกกับไม่ว่าโลกไหนๆทั้งนั้นจะเป็นโลกที่เลวสมัยกลายเป็นโลกที่หิวเหลือกเหลือดร้อนไปในทันที และผู้มีธรรมเป็นเครื่องอบรมจิตใจให้รู้ว่าใจเป็นสมบัติอันมีค่าของตนขอพยายามระมัดระวังรักษาจิตใจซึ่งเป็นของมีคุณค่านี้ให้ทรงตัวอยู่ได้ด้วยความปกติถูกผู้นั้นจะเป็นผู้ทันสมัยเพราะธรรมะทันสมัยนั้น อันสิ่งที่เหมาะสมความเหมาะสมนั้นจะเกิดขึ้นมาจากเหตุที่ควรถ้าหากเหตุไม่ควรแต่การเหมาะสมแล้วคุณนั้นจะกล่าวถึงธรรมที่ทันสมัยนี้โลกที่ทันสมัยใครไม่ได้เลยธรรมะทันสมัยนั้นถ้าเทียบในหลักธรรมะแล้วแปลว่ามัชฌิมาคือตรงกลางที่เหมาะสมที่สุด ในการอบรมจิตใจสําหรับผู้เข้าใจในด้านธรรมะและได้เคยอบรมจิตใจของตนมาบ้างแล้วจะรู้จักวิธีปฏิบัติอบรมจิตใจให้เข้าถึงระดับที่จะตรงตัวพูดเป็นความสงบจิตและธรรมะจะทําจิตใจของตนให้มีระดับอันสูงขึ้นไปเป็นลําดับไม่เหมือนอย่างผู้มายินธรรม เป็นเครื่องรักษาใจกลายเป็นโลกที่เลิกสมัยไปเลยฉะนั้นการอบรมใจจึงเป็นสิ่งจําเป็นและสําคัญยิ่งสําหรับเราผู้มีความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมเพราะพออย่างยืนคู่มุ่งต่อทางธรรมแล้วควรจะอบรมจิตใจของตนให้ปรากฏ เป็นความสงบเยือกเย็นและมีความเฉลียวฉลาดรอบรู้สิ่งต่างๆที่จะเกี่ยวข้องกับไดเป็นระยับพยับนั่นแหละที่ว่าเป็นผู้จะรักษาตนให้ปลอดภัยได้ผู้ปฏิบัติกรรมฐานเป็นผู้หนึ่งทางก้าวหน้าโดยขาเดียวเรื่องของสติกับเรื่องของปัญญาที่จะพยายาม การปราศจิตใจยิ่งเป็นของจําเป็นมากขึ้นได้ไม่ใช่จะมีความโง่อยู่ตลอดเวลาและไม่ใช่จะคงธรรมรู้ไว้ในระดับเดียวเท่านั้นยังสามารถจะทําความรู้นั้นให้ลดหลั่นหรือเพิ่มความรู้ความฉลาดขึ้นไปหน้าเพราะอํานาจแห่งการฝึกลมและแรงสติเช่นเดียวกับมีกล้านี้เรานําออกมาจากในข้าง ที่ครบเป็นครบคุบปล่อยดีแล้วแล้วจะมองถึงคนว่านี่นี้เป็นนี่ที่คมอยู่แล้วโดยดีกว่าตามแต่เมื่อมารับผีเท่าอีกนี่นั้นก็จะยิ่งขึ้นเพิ่มความคมเข้าไปเป็นลักษณะของใจเมื่อได้รับการอบรมฝึกฝนซึ่งเช่นเปรียบกับหูดแล้วย่อมจะมีความแข็งเหลียวฉลับรอบตัวขึ้นเป็นระยะระยะระยะ จึงสามารถจะรู้เห็นสิ่งที่เป็นภัยแก่ตนเองทุกสิ่งเมื่อใจไม่มีความฉลาดตอบต่ออาจจะเป็นภัยต่อจิตใจสําหรับนักปฏิบัติละแต่เมื่อเรามีความนมัสระวังรักษาอยู่ย่อมรู้วิธีของจิตใจ ว่าจะขยับตัวนี้ก็เคลื่อนตัวออกไปในทางที่ถูกหรือผิดมากน้อยได้เป็นน้ําหนักไม่เช่นนั้นพระพุทธเจ้าจะไม่สามารถหรือคงจักรภูมิตะที่พระองค์เคยหมุนเวียนเกิดเรียนตายนี้ให้หมดสิ้นไปจากประเทศได้เลยเรื่องความเกิดความตายนี้เป็นประโยชน์อันใดยิ่งสําหรับศาสนิกผู้ท่องเที่ยวอยู่ในวัดค่ะ ไม่ว่าสักไม่ว่าบุคคลใน 3 ภพคือกามภพรูปภพอรูปภพนี้เรื่องความเกิดความตายเป็นของสําคัญยิ่งเวลานี้เราทุกท่านได้ก้าวเข้ามาสู่สนามแห่งความเกิดตายจงเป็นผู้พิจารณาเรื่องแถวลึกเท่าสมองเราคือ ที่เราจะลบกับความเกิดตายหรือกับที่ใครดูเรื่องความเกิดตายซึ่งฝังอยู่กับตัวของเราและมีอยู่ตลอดตัวของเราทุกวัน โมเลกุลเข้ามาเป็นกล้าการอยู่ภายในร่างกายแต่เราก็ไม่ จากปัญหาคือการเสียสลายการเสื่อมไปทําหลักเป็นภัยของจักรนั้นทั้งหลักนักศาสีของพระพุทธเจ้าเป็นต้นแต่จักรทั้งหลายมีความยินเยื้องเสื่อมสลายเวลาปรากฏตัวข้างกลางตัวของหญิงตายลูกเฒ่าเหล่าคอที่ปรากฏตัวขึ้นมามีความเสื่อมสลายแต่เมื่อถึงเหล่านี้ได้ <c oughs> ตลาดตัวลงไปจนถึงกับขั้นที่ว่าตายแล้วด้วยความเสื่อมกับน่ะเรื่องความแตกแยกเกิดขึ้นมาจากความเพ้อเพลินความพออกพอใจในการเกิดแต่ไม่พอใจในการตายนี่มันจึงขัดแย้งกันเมื่อเรื่องทั้งสองนี้ขัดแย้งจึงออกจากไกลดงเดียวแล้วกายดวงนี้จึงไม่มีใครจะรับภาระแทนตนของตนต้องรับภาระในกองทุกข์ที่จะเกิดขึ้นมา ก็คือทำความให้รอบคอบเรื่องการเกิดการตายของตนและของทุกเกี่ยวข้องกับตนฉะนั้นนักปฏิบัติควรจะรู้เรื่องและควรจะปฏิบัติให้รู้เรื่องเรื่องสาเหตุแห่งการเกิดการตายอันเป็นบ่อของทุกข์ประจำอยู่กับเราทุกๆท่านให้เตือนแจ้งซึ่งเป็นลำดับด้วยข้อปฏิบัติคือศีลสมาธิปัญญา อุบายวิธีที่พระพุทธเจ้าสอนคุกคุคระยะหรือคุกคานในบรรดาพระธรรมทั้งหลาย 81,000 พระธรรมครับรวมแล้วตั้งแต่เป็นอุบายวิธีที่จะให้ลำมาคลี่คลายดูเรื่องภพแห่งกองคิดทั้งนั้นไม่ใช่เป็นยุทธีอื่นใดมีการให้ต่างสมทุกข์เป็นต้นพระพุทธเจ้ามุขคักเคย อริยสัจ 4 ก็ดีปฏิปทา 4 ก็ดีมีความจําเป็นแค่ไหนสําหรับพระพุทธเจ้าเห็นความจําเป็นในอริยสัจ 4 และปฏิปทาฐานมาเป็นพระธรรมโดยจัดคนจะติดและเกิดกับพาอยู่ตลอดกับตลอดกันก็ก็ เรื่องของอริยสัจ 4 เรื่องปฏิจจธรรม 4 โหดจะกล่าวค้นกับเรื่องการเกิดการตายเสียได้เพราะอริยสัจเร 4 สำหรับพระพุทธเจ้านั้นเกิดก็ติดเพราะอริยสัจ 4 เพราะปฏิจจธรรม 4 เกิดตายก็ตายคนพวกเราทั้งหลายก็เกิดตายเพราะเรื่องนี้แต่พระพุทธเจ้ากลับพิจารณาลี้ภายใน อรรถธรรมเนี่ยมีประฐาน 4 ให้ชัดเจนเลือกพระภิกษุเลือกพระพระตีชาความตามนั้นละเลกนี้ถึงด็อกพระพุทธเจ้าหรือยกพระองค์ให้ค้นกับเรื่องเกิดตายไปนั้นตามการพิจารณากว้างแคบโดยปัญญาอีกมีของแต่ละท่านละท่าน ก็เพื่อจะรู้ที่ซ่อนเร้นของจิตใจผู้ไปแอบแฝงรู้คุณค่าอยู่ในสิ่งสังขตภายนอกก็มีรูปรูปทั่วทั้งอินทรีย์เสียงติ่งรถเครื่องสังขตมีรูปทุกข์แห่งทุกคนตนเจ้าไปที่ไหนสิ่งเหล่านี้จะต้องสัมผัสมาทางตาหูจมูกลิ้นภายใจทุกข์ทุกข์ขณะ ที่ก้าวไปไม่ว่าก้าวไปด้วยการไม่ว่าก้าวไปด้วยการครอบเคลมของกันจะสัมผัสกับสิ่งทั้งหลายที่มีในโลกนี้อย่างสมบูรณ์ทุกๆเวลาการที่เจตนาสภาพทั้งหลายมีรูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นด้วยทั้งหลายเพราะเกลือจะได้ที่คราด้วยสิ่งทั้งหลายที่เป็นที่แทรกซึมของกันหรือเป็นที่ซ่อนเร้นของกัน เป็นที่อาศัยลึกเดียวของอุปาทะใครได้ถอนตัวออกมาเป็นลําดับต่อมาเช่นเดียวกับคนยึดน้ําเพื่อจะเอาปลามาทําประโยชน์น้ําลึกน้ํากว้างต้องอาศัยกรรมเมื่อเราต้องการปลาดีกลับ จนกว่าว่าน้ํามันจะแห้งลงเป็นลําดับลําดับจนปรากฏรูปปลาชัดๆเมื่อน้ํามากรานแล้วจะมีมากย่อมให้ปรากฏตัวขึ้นฉะนั้นการริบน้ําจึงเป็นสิ่งสําคัญเป็นสําหลักผู้ต้องการปลาจะต้องพยายามริบออกให้จนหมดจริงรามีเท่าไหร่ซุ้มซ้อนอยู่ในสถานที่ใด แรงโตหญิงชัดเป็นลําดับเมื่อน้ํามันเหือดแห้งลงไปเสียจริงๆปลาไม่มีที่อาศัยก็วิ่งเข้าโยกกันจากนั้นก็จะทุ้มท้อนตามโคมตามโตนถึงจะทุ้มท้อนที่ไหนๆก็พ้นจากสายตาของเผ่าผู้เวียดนามก็ต้องคนพวกคนเจอไปเสียปลามันจะเอาปลานั้นได้หมดขุกๆ โลกน้ําเป็นแค่เป็นลักษณะขั้นปุบายิทธิพิจารณาของโยคาวจรไม่ว่าผู้อยู่ผู้ชาแต่ว่านักปวดภาวะวิญญาณในสภาวะธรรมทั้งหลายมีรูปเสียงเป็นต้นให้อัตตึงแจ้งแส้งด้วยปฏิจันดาของสิ่งเหล่านั้นเราจะเห็นตัวปราติเป็นสิ่งที่หยาบชา แม้แต่กระแสของใจที่เป็นซุ่มซ้อนอยู่ในสภาวะนั้นๆการทั้งหลายเห็นเรื่องของสภาวะนั้นโดยทางปัญญากระแสของจิตก็จะกล้ำเข้ามาสู่ที่ซุ่มซ่อนเช่นเดียวกับเมื่อน้ําเริ่มแทงดวงตาก็จะต้องเลื่อนตัวเข้ามามีมากเล็กน้อยแต่รวมกันเข้ามา ลักษณะของการพิจารณาภายนอกก็เพื่อจะทําความกว้างนั้นให้มีวงแคบสําหรับที่จิตก่อนของใจเข้ามาเป็นนั้นถ้าโลกว่าทะลายใจก็กว้างเท่านั้นความรู้ครอบโลกธาตุเรื่องสัญญาการคิดดําความหมายสังขารความรู้ความปฏิบัติตามโลกานุสารอุปทานความมั่นที่มั่นของใจจึงมีไม่มีขอบเขตโหไปได้ไม่จึงภาพไปได้ การพิจารณาที่สภาวะทั้งหลายโดยความเป็นอนิจจังทุกข์อนัตตาได้จับจับใจแล้วจึงเป็นเหตุกระท้อนกระแสของใจที่ไปสําคัญมั่นหมายหรือยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นให้เสร็จตัวเข้ามาสู่วงไคลในจึงเรียกว่าน้ําก็เริ่มเหือดแห้งเข้ามาบาบ่เริ่มรวมตัวเข้ามาคือกระแสของใจที่ตั้งอยู่ด้วยแทงสู่ผลความแท้เขาจะเริ่มรวมตัวเข้ามาคืออันใด ได้สติของใจที่แท้จริงตามที่ยืนนากายาปฏิปทาฐานวิปุคสมุทัยภายในใจภายในใจก็แสดงว่าเราวิญญาณออกจากที่เป็นก่อนของใจดึกเป็นขั้นที่จากภายนอกเข้ามาคือภายในพิจารณาส่วนไหนก็เห็นตั้งแต่เรื่องของอนิจจังทั้งนั้น ในร่างกายทุกส่วนทุกสิ่งไม่ว่าภายนอกภายในทั้งบนทั้งล่างกว้างแคบเป็นไปด้วยอนิจจังมีความแปรสภาพทุกครั้งเป็นไปด้วยทั่วทั้งกสณและกายและจิตตัณหาไม่เคยได้เป็นบ่าวของใครทั้งนั้นแต่เป็นสภาพความจริงของเขาจะต้องก้าวไปสู่ตาม เป็นธรรมดาของตนนี่ท่านเรียกว่าอนัตตาไม่ขึ้นอยู่กับคําว่ากัสสว่าบุคคลและใครๆพลังและว่าของใครทั้งนั้นเมื่อการพิจารณาโดยทางปัญญาเห็นประจักษ์ในส่วนแห่งสะสมและตายของเราทุกทีอย่างนี้แล้วคําว่าเราคนนี้คําว่าของเราก็มีกําลังกล้าสามารถยึดเหนี่ยวต่อได้อย่างไรก็ต้อง กดตัวเข้ามาเหมือนกับปลาที่คล่อมตัวเข้ามาแต่แสของใจก็จะล้อมกดเห็นเข้ามาเช่นนี้นี่เป็นเพียงมาเมื่อพิจารณาส่วนภายนอกก็เห็นชัดโดยทางสัญญาพิจารณาเข้ามาในส่วนร่างกายก็เห็นชัดโดยทางสัญญาว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาคือสภาพแห่งร่างกายอย่างนี้ไม่ใช่สภาพอื่นใด เรื่องของเวทนาของสัญญาของสังขารของวิญญาณแล้วจะไม่มองเห็นด้วยตานี้แต่ก็รู้อยู่ด้วยจิตไม่ติดตามทางความรู้เลยก็จะสามารถสามารถรู้เรื่องของสิ่งเหล่านี้ได้เช่นเดียวกับส่วนที่เป็นด้านมติเรื่องกระแสของมัตะที่เคยเผ่นผ่านอยู่ทุกแห่งจิตตนก็จะ พดตัวเข้ามาพดออกจากรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสพดออกจากรูปกายทั้งหมดที่มีในตัวของเราพดเข้ามาจากเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเพราะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสภาพเสมอกันไม่ว่าด้านวัตถุธรรมและนามธรรมมีสภาพแปรกับภาวะที่เป็นปรารักษ์เสมอกัน แสดงว่าน้ำกำลังแห้งลงไปจนด้วยอำนาจแห่งการวิบัติการสึกหายนาของเราเราก็ยิ่งเป็นเห็นแก่ของมตะที่เคยหนุนเหยียนตัวเองมาติดกับกิจกรรมจนปรากฏผลเป็นเรื่องเกิดตายทั้งจักรตัวของเราซึ่งจับปฏิเสธกันไม่ได้ไม่อย่างไรทัศนยิ่งยึดเมื่อน้ำแห้งไปหมดดิดเหลือแต่ตมแต่โคลน กามนี้ที่อาขายต่อวินสุ่มท้อนอยู่ตามตนตามปกผู้ต้องการปลาซึ่งวิชน้ําเกิดแทงกันหมดแล้วก็คุ้ยเกี่ยวในตนในคนกามมีเท่าไหร่ก็เก็บเอาได้หมดก็แก่ของใจที่เปรียบเหมือนกับการได้แต่ก่อนได้สุ่มท้อนกับตามสภาวะธรรมดังที่กล่าวเลยเมื่อได้ถูกวิชด้วยปัญญาด้วยสติก็ยุ่ง เอาตัวที่ซุ้มทอดทางของและที่เป็นส่วนภายในได้เจอรูปเสียงสัมผัสเคลื่อนท้องออกคือสัมผัสสัมผัสกับตาหูจงประณีตกายจักรณ์ธรรมะภายในคือกายทุกส่วน เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้เป็นทางช่องเคลียวของวัฏฏคือกระแสของกรรมเมื่อถึงดังนี้ก็ได้ถูกพิจารณาที่ค่าเป็นเห็นชัดแตกแยกเข้าไปแล้วตาเค้ามีทางเดินตาปะที่จะทําใจให้เงยยิ่งเข้าสู่ตรงจุดโดนได้แก่กระแสของใจทั้งหมดได้รวมตัวเข้าไปสู่จุดผู้รู้แห่งนี้ นั้นคือตรงที่โทษอนันตยิถ้าตีกับปัญญาก็ค้นคว้าคุยเกี่ยลงไปในที่นั้นคือตาเข้าไปถึงก้อนอยู่นั้นจนสามารถจัดการตัวที่เป็นวัฏะนั่นล่ะด้วยอํานาจของปัญญาอยู่ในตรงนี้ได้แต่อภิธรรมเลยนะเมื่อปัญญาได้พิจารณาถึง รากฐานแห่งวตตะที่ประดิษฐ์เป็นชัดเจนแจ้งสิ่งเหล่านั้นก็ถูกทําลายด้วยสติปัญญาตะหลายตัวลงไปเรื่องวตตะคือความหมุนเวียนจนเป็นผลปรากฏออกมาว่าเป็นการเกิดการตายนั้นทั้งหมดสิ่งใดสิ่งลงหน้าโดยสิ่งซึ่งก็อํานาจไปด้วยสติปัญญาที่จะทําลายอัตัวนี้ ให้รู้สุดแล้วมีวรรคของท่านเจดีของหลายคนจะบิณฑิกเยื้อจิตกันลงได้ที่ดีเช่นเดียวกับเราจับได้จะปฏิบัติกันลงได้ต่อเมื่อได้ยึดน้ําแทงหมดแล้วได้พูดกับไอ้กลางในคนในโคนมันมีอะไร นั่นแหละเป็นที่หมดปัญหาของทางเป็นทุกข์ทุกข์ทุกข์อย่างตามพิจารณาของนักปฏิบัติทุกข์ทุกข์ตระณีตั้งแต่ต้นจนถึงจุดการสุดท้ายตามที่จะมานี้ตลอดได้ทําลายวงของวัฏจักรได้จะอนิจจาที่เป็นที่รวมของกระแสของวัฏกให้ขึ้นจิตจนไปได้แล้วนั่นแหละ เป็นจุดสุดท้ายของการปฏิบัติที่จะทําลายวัตตะของตัวเองให้ขึ้นถึงระดับไม่มีอะไรก็เหลืออีกมีแต่ที่ว่าเป็นผู้แค่คงธรรมะที่ว่าเป็นผู้ตัดความสงสัยในวัตตะคือความเกิดตายให้หมดไปเป็นผู้ที่สงสัยในเรื่องความเกิดตายได้อีกก็เป็นผู้แค่ได้ อ่าโดยคนจากจุดที่ว่านี่แลใครจะปฏิเสธว่าวัตตะไม่มีใครจะเข้าใจว่าโลกิยตายแล้วเกิดอยู่ตายได้สูญบางครั้งคําพูดต่างเรื่องของวัตตะคือการเกิดตายของแต่ละบุคคลนั้นแล้วแต่รักมันจะไม่ขึ้นอยู่กับใครๆทั้งนั้นถ้าว่าวัตตะคือการเกิดตายนี้ได้สูญเสาะอํานาจแห่งการ ชาวผ่าของบุคคลและกลับแล้วกันว่าตะจะไม่ทําหน้าที่กับโลกคือการเกิดตายนี้ให้มีความเลือกยาวมาเป็นกระทั่งถึงวันนี้และต่อไปได้เลยทั้งนี้จักเทวคะไม่ขึ้นอยู่การกับการกําหนดกิฏฐมของขัตการเชื่อหรือไม่เชื่อว่าวัตตะนี้มีของใครแต่เป็นสิ่งที่จะทําหน้าที่ไปตามปัจจัยของตัวที่มีอยู่มากน้อย เมื่อหมดปฏิกายแล้วก็ไม่มีอะไรหนึ่งเรื่องวัฏฏะก็เป็นอันว่ายุติเสร็จถ้าจะให้นามะวตตะยังอยู่หรือว่าตะสุขก็แล้วมตะก็มันมีวิทยะแล้วเช่นเดียวกลับไม่ฟังกลับวตตะไม่ฟังในคําคํานี้ทุกข์กับแห่งทุกข์กตตนาคือตะที่จะสอนสําหรับผู้ปฏิบัติ เพื่อจะทําที่ผิดแห่งทุกข์ของคนให้คุ้มสุดเลยได้ทําวิธีนี้และดิ้นเก็บลงหน้าจากใจของคนในทุกข์นี้เท่านั้นไม่มีที่ไหนเป็นที่อยู่ของลกะไม่มีที่ไหนเป็นที่พึ่งปลายของโลกนอกจากเรื่องของใจกับภาคขันธ์กับสารทั้งเข้าเพราะอํานาจของอวิชชาเป็นตัวเองเท่านั้นขอให้ท่านนักปฏิบัติทั้งหลายจงทําความเพ็งใจในวัฏฏะ ตัวโหรกับตาทุกข์พยายามแก้ไขที่ชายลิยมของมรรคะของคนนี้ให้เข้าจากเรื่องเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านได้ทําลายเพราะอํานาจแห่งการที่ชายลิยมทุกข์ถึงกับปรากฏเป็นศาสนาของโลกให้เราท่านได้แยกมาเป็นตัวอย่างข้อตรงดําเนินด้วยวิธีนี้นั่นเองเราคู่ดําเนินไปตามแถวทางของพระพุทธเจ้าที่ดําเนินไปแล้ว หลักมัคคิฤทธิ์นั้นน่าจะเป็น 40 และทางเป็นทางอันเดียวกันอริยสัจ 4 ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเป็นทางเดียวกันและปฏิฐานคือเป็นอันเดียวกันคู่ดำเนินดำเนินไปในทางสายเดียวกันเกิดจริตสังขาด้วยทอดปฏิบัติในธรรมเข้าเข้าด้วยจักขุ